เป็นพระรุ่นใหม่ถ้าเท่า ท, ท, ที่ฟังกันดูก็ไปกลละทางกลละทิศแต่ทั้งหมดก็คือในพระศาสนาถตว่าจะหยิบตรงไหนมาใช้กันปฏิบัติแต่ก็ฟังเจ้าวาดของเราพูดไว้ชัดว่าลักษณะของจิตตปัญญา ม, มันเหนือกว่าไตรสิกขาปกติเราพูดถึงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไตรก็สามสิกขาคือศึกษาจะมาพูดถึงจิตตะปัญญาคือการใช้จิตกลับมามองตนแล้วก็ทำงานโดยปัญญาพุทธ กลับมามองตนทุกๆขนานะที่ทำงานทำการเดินทรรยาตราแดดร้อนแต่ใจไม่ร้อนอากาศหนาวแต่ใจไม่หนาวปกติเวลาหงุดหงิดก็รู้ใจหงุดหงิดมองตนมองตนทำอย่างนี้ได้มันสูงมากๆมันรู้สติละละ ถ้ายังไม่รู้สติก็ต้องทำดีทำดีกระบนนะ่นะแหละบุญก็มีในมงคล3ามสิแปมงคล38ก็เป็นบุญในระดับต่างๆระดับตานระดับสีระดับภาวนาระดับสมมติระดับปรมัตนะิระดับที่ไม่ทุกระดับปรมัตินะ หลับทำดีแล้วก็สุขอยู่ได้ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าช่วยทำให้ทุกข์ก็เลยใช้อุบายที่เป็นกุศลกุศโลบายจารีตประเพณีว่าทำกิจกรรมต่างๆจนเกิดเป็นวัฒนธรรมจาลีตสังคมนิยม มันก็นเลยเป็นเรื่องถกเถียงกันเจาอย่างไรดีไก่เกิดก่อนไข่หรือว่าไข่เกิดก่อนไก่จริงๆแล้ววิธีการหลวงปู่เทียนเนี่ยขึ้นต้นไม้ทางพระองค์ปฏิบัติธรรมเนี่ยขึ้นต้นไม้ทางยอดเลยไต่บันไดไต่พระองค์ขึ้นไปเลยการเคลื่อนไหวมือ14บสี่ชวงรูปแบบเนี่ยมัคือพระองค์ เป็นบันไดไต่ขึ้นไปลัดๆง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมาดูสิมันคืออะไรกิ่งการสาขาผ่านรังมดแดงบ้างอะไรบ้างนี่พอเรมหรือว่าทำที่เป็นอกุศลหรือว่าสภาวะธรรมที่เป็นอาการต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตอันนี้คือสภาวะของอาการ แต่ว่าเบอกต้นละผ่านไปก่อนฐานกายเคลื่อนไหวนีมันเห็นชัดๆเลยทุกครั้งที่เคลื่อนไหวแล้วก็จิตใจมันเกิดความสมดุลพอ ด, ดีขึ้นมางี้มันง่ายเลยรู้สึกเป็นปกติรู้สึกเป็นปกติกเพราะฉะนั้นรูปแบบนี่สำคัญความต่อเนื่องของรูปแบบนี่สำคัญแต่ว่าต้องทําให้เป็นการเคลื่อนมือการเดินจงกรม ทำเป็นก็คือรู้สึกเป็นขณะดที่สำันก็คือการวางจิตวางใจซึ่งใหม่ๆ ม, มันก็วางไม่เป็นหรอกแต่การที่เป็นวางไม่เป็นเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวจ้องเดี๋ยวเผลอจะเกิดความพอดีทีหลังเองถ้ามีการสังเกตขณะปฏิบัติมันก็จะง่ายตรงนี้แหละพอทำเป็นมันก็ทำได้เรื่อยๆผ่านอารมณ์ไปเรื่อยๆ ไม่ลองพูดถึงระดับความกงเหงาหงอนหรอกวันนี้ก็ลองสังเกตดูไม่ได้จับผิดนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปก็นั่งโงก่วงไม่ได้จับผิดนะแต่ก็เห็นอย่างนั้นนะพนั่งฟังอะไรที่เป็นการฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะพูดไม่รู้เรื่องก็กลายเป็นโงก่วงและอันนั้นไม่เห็นเรื่องไงความคืออะไรต่อยกมือทั้งวันแต่ว่าไม่เห็นอาการ ที่เกิดในจิตในใจของเราเราผ่านไม่ได้ติดอยู่แค่นั้นไม่น้องพูดถึงว่าจะไปทำอะไรหรอกมันก็เกิดผลได้ยากทั้งนั้นฮนะแต่ถ้าคนมีความสำเร็จมันทำอะไรก็มีความสำเร็จทั้งนั้นแหละตัวเดิมเป็นสติ ร, ร, รู้ตัวเดิมจะรู้กายกับสติตัวเดิมสติปัฏฐาน จรู้จิตรู้ใจจิตคิดนึกปุงแต่งก็ตัวเดิมเป็นสติปัฏฐา น, นมันก็จึงเป็นสติปัฏฐานเรารูาค้ความรู้สึกตัวตัวกายตัวใจกายสังขารจิตสังขารอาการของกายของใจเป็นรูปธรรมนามธรรมต่างๆจิตคิดนี่เป็นอาการของจิ ต, ตมันไม่ใช่จิต การเจ็บการปวดหิวข้าปวดหัวตัวร้อนเป็นอาการของกายไม่ใช่กายก่อละตัวกันมันเห็นได้ชาติแบบนั้นน่ะใหม่ๆปฏิบัติเห็นเป็นทุกข์แต่ไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์แต่รู้ว่าทุกข์แต่ก้าวล่วงจากความทุกข์ไม่ได้รู้ว่าคิดแต่ว่าออกจากความคิดไม่ได้จริงๆก็ดีแล้วมันเป็นมรรค ศาสนาสอนเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานรู้ว่าทุกข์แต่ก้าวล่วงไม่ได้รู้ว่าปวดแต่จักความปวดไม่ได้ไม่เห็นว่ามันปวดมันง่วงไม่เห็นว่ามันง่วงมันล่งมันปลองมันเบามันสุขก็ไม่เห็นว่ามันสุขอันนี้ก็คือหลงหลงแต่รู้ว่าสุข ทานไม่ได้มันอร่อยคอยครั้งหนึ่งคอยครั้งหนึ่งรู้ว่าไม่ดีแต่ทำํำคอยครั้งหนึ่งคอยครั้งมันเป็นมรรคแต่ยังไม่เป็นผลจิต ใ, ใจยังไม่อิ่มยังไม่หนื่อยนายยังไม่เห็นเป็นทุกข์อย่างแท้จริงหรือยังไม่เห็นว่ามันมีสุขอะไรที่มเหอวันนั้นไปอีกยังติดสุขในกามหลงสุขในกาม มันมีสุขที่เหนือสุขในกามก็คือสุขกเกษมสารสุขในโลกุตระธรรมมันก็จะเลือกได้มันจะกลายเป็นมักเป็นผลขึ้นมาทันทีนเจอสุขที่ละเอียดเจอสุขที่พนนันธุ์ิเจอสุขที่ไม่ต้องสแสวงหาเจอสุขที่หยุดรู้อยู่หยุดรู้นํานับเป็นความสุขเมื่อผ่านอารมณ์ได้ เราก็จึงต้องปฏิบัติให้ถูกนะเห็นอาการ์ตามความเป็นจริงยินะ่งเกี่ยวข้องถูกต้องก็เป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลไปเลยนะรู้ปล่อยรู้วางนะรู้ผ่านเห็นแจ้งแทงตลอดมันะจึงเกิดผลขึ้นมานะแต่ถ้ายำผลไม่เกิดก็ไม่ต้องไปเรียบร้อนนะมันปลูกต้นไม้แล้วมันปลูกวันเดียวกิน ผลไม้หอมหวานสุกงอมเต็มที่ปลูกวันนี้มื่ก็แค่มเมล็ดพุทธะหน่อพุทธะเหมือนหน่อมะ ม, ม่วงปลูกถูกที่ก็รดน้ำาวนดินกันเดี๋ยวก็แตกยอดออกต้นขึ้นมาโต ว, วันโตคืนให้เวลามันนิดหนึ่งการเคลื่อนเมือ14ชั่ว่ะเหมือนกันให้เวลานิดหนึ่ง มันก็จะเป็นผลเกิดจิตใจที่สะอาดขึ้นมาอย่างวันนี้เนี่ยมาไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะว่าโกนหัวก็โกนไม่ทันวันโกนกลับมาก็เย็นไอโนนไอหนีเวลานิดเดียวจะล้างหน้าล้างตาจะปรงผมจะอาบน้ำส่งน้ำเวลาแทบไม่พอปกติเนี่ยเราต้อง ถูส บ, บู่แล้วก็ทิ้งไว้หลังจากทิ่นรถน้ำเปียกทั้งตัวแล้วถูส บ, บู่แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีให้ส บ, บู่ก็ทำปฏิกิริยาเสร็จแล้วก็ถูไปถูมารดน้ำถูเหงื่อถูขี่ไข่เมื่อจะออกดีดีฉันใดก็ดีความรถถู้สึกตัวต้องให้เวลามันหน่อย จะทำาพ้อเพอแป๊บๆทพอเป็นพิธีพออยู่วัดเออได้ปฏิบัติทำพอเป็นพิธีทำโดยใจสังเกตอันนี้ไม่ค่อยเกิดผลเั่าแหละมันจะด้านจิตมจะดื ม, มจะด้านไปเลยมองอะไรก็ตีโจทย์ไม่แตกไม่ทะลุมองตามความเห็นมองตามความคิดมองตามทิศ ตามองในความรู้สึกตัวเราเห็นว่ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. าก็เป็นอย่างที่ก็เป็น mm hmm. อาการต่างๆแสดงโดยที่เราไม่ต้องห้ามทำไมได้เชื้อเชิญในทังหาก mm hmm. แล้วแต่ก็จะเป็นไปเหตุปัจจัยต่างๆแต่เราก็มีตัวหนึ่งก็คืออยู่เหนือเหตุเหนะือปัจจัยเหตุปัจจัยจะทําอะไรเราไม่ได้เข mm hmm. ากโกรธเราไม่โกรธเขาทุกเราไม่ทุก เหตปัจจัยจะทำอะไรใจเราไม่ได้เขาเป็วนวายเราไม่วนวายเขาสับสนเราไม่สับสนเขามไม่เมตตาเราเราเมตตาเขาก็ามไม่รักเราเรารักเขาเขาก็มีคุณภาพขึ้นมาชีวิตเกิดจีวาขึ้นมาก็าเป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนอาหารเป็นสุขไม่สะทกสะทาน เป็นผลขนาดนั้นนะความรู้สึกตัวที่ทําต่อเนื่องเนะี่ยมันช่วยกระจัดปัดเป่านะมันตินเครื่องเส้นประสาไปเองตามกฎของธรรมชาติทำกรรมฐานแตว่า ม, มันมีกฎของธรรมชาติเกิดขึ้นมาลงมือกระทำก็เกิดความจริงเห็นความจริงนะตรงตามความเป็นจริงจริงจรงนะิสบาย วั้ได้เห็นรูปทายของลูกศิษย์คนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไป เ, เห็นกันหลัดหลัดในช่วงเดือนเดียวเท่านั้นเองหลังจากที่รู้ว่าเป็นมะเร็งแต่ก็เห็นประโยชน์ของการตายครั้งนี้ของเขาอยู่หนึ่งคือทําให้ครอบครัวตระกูลนี้เข้มแข็งขึ้นมากแม่น้องให้คุมไฟ วันนี้ลองแกงเยาวดูโอ้ดีนะเข้มแข็งมากเลยงานศพไม่ร้องไห้เลยลก็บอกว่านิดเดียวนิดเดียวร้องนิดเดียวเข้มแข็งเกินปกติในฟูมไฟตีอกชกหัวทําไมต้องลูกต้อยไปทําไมต้องลูกต้อยไปมีลูกชายอยู่คนเดียวมีลูกชายอยู่คนเดียว ลูกใจก็ถึงจะมาวัดไม่ตั้งใจปฏิบัติแต่ก็เป็นคนมีปัญญาสังเกตจากหลังจากที่ได้พบครอบครัวขณะที่นอนอยู่ในห้อง ICU ียู5ชั่วโมงสุดท้ายก่อนใจจะขาดก็เล่นกันหยอกเยา้ายกไม้ยกมือนะใางเครื่องปัณนานการสายระยองระยังทุกคนเข้าไปให้กำลังใจ ใช้สุดกเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาคนหนึงนะ่งฮะก็บอกว่าปล่อยวางได้แล้วนะตอนนี้วางได้สบายไปทุกคนไปแล้วก็นอนอิ่มตื่นขึ้นมาก็สดชื่นไม่ได้นอนมาหลายคืนควรนอนแล้วก็หลับแล้วก็จะได้ตายไม่ได้เห็นหน้าลูกเห็นหน้าเมียพรอเมียลูกมาเยี่ยม เว้พรวันวาเลีงตายความรักจะไม่ได้ตายจะอยู่ด้วยกันตลอดไปความรักให้ที่ตายก็คือตัววันวาเลียงนาเขียนไม่ได้แต่บอกคนอื่นให้คนอื่นเขียนให้ก็คือมันที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็คือเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงมัน ป่วยฉันไม่รู้จะป่วยยังไงแล้วโอกาสหายมันก็ไม่มีจิตมันก็ฉลาดนั้นในเมื่อรู้ว่าร่างกายอยู่ไม่ได้มันก็วางแล้วล่ะคนไข่อยารู้สึกสบาย mm hmm. ถึงตรงนี้แล้วก็หน้าตาสดชื่นขึ้นมาไม่เหมือนคนป่วย mm hmm. ขณะนั่งหายใจก็ต้องมีเครื่องช่วยออกซิยเจน คนใกล้ตัวบอกก็ทำ ต, ตานิ่งๆเลยบอกกันแหละก็คืออาการที่มันวางนจิตมันวางแล้วล่ะกําลังหาทางแล้วล่ะแล้วก็มันสมนดุลพอดีตาก็จะนิ่งไม่ทุรนทุรายจิตมีกําลังของสมาธิแล้วเป็นสัมมาสมาธิด้วยมันเห็นความตายมันผ่านด่านมัจจุมานก็สบายที่สุดแห่งกองทุกข์นั่นแนหะ <Yeah. S 1> ที่เราปฏิบัติธรรมกันเพื่อ น, นี่และวินาทีนี้โดยเฉพาะเลย ขณะใกล้าตายหลวงปู่เทียนบอกว่าก่อนใจฉขาด5นาทีมันจะมีสภาวะของนิพพานันที่รรบปฏิบัติมันก็มีนิพพานชิมลองอยู่ทุกขนาที่จิตปกติจิตไม่ทุกแต่พอจุดหนึ่งแล้วนะนาทีก่อนใจฉกาดพระครูบาอาจารย์มากมายไม่ใช่หลวงปู่เทียนรูปเดียวหรอกพุทธไว้ตกไดพระกระจน ก็กรโจนได้จริง mm. เป็นศพที่ mm. มีความสวยงาม mm. มีความงดงามนี่แหละก็คือดอกไม้ของพระอริยเจ้า mm. ความรู้สึกตัวไม่ได้ทำให้เรากลัวอะไรสักอย่างหรอก mm. ในโลกใบนี้ mm. ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่อาการของธรรมชาติ mm. การดำรงชีวิตเราอยู่ในสมมุติ มีสมมติมากมายแล้วเกินความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนะี่ยมันคือเครื่องมือที่จะไขปริศนารมเหมือนกุญแจดอกเอกอย่างที่หลวงปู่เทียนท่านได้พูดเราไว้เป็นการจัดงานล้ำลึกของหลวงปู่เทียนนะซึ่งเป็นชัตการ<ม>ก็ทําให้เรานึกถึงชีวิตของเรานั่นแหละทุกคนต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย การเกิดส่วนใหญ่เกิดมาก็จะกำมไม้กำ ม, มือกำ ม, มัดขัดฟันกูจะเอากูจะเอากูจะเอาทุกอย่างการกินเกียดตนนิยมอำนาจนิยมบริโภคนิยมวัตถุนิยมบุญนิยมกูจะเอาลายไหนลายนั้นปรตายก็แบมือแผ่ผ่อนคลายไร้สาละไมว อ, อะไรอีกแล้ว ความรู้สึกตัวพาไปหรือว่าบุญพาไปหรือว่าบาป พ, พาไปอันนี้ก็ต้องดูเอาเองจากสุดท้ายของชีวิตใช้คนอื่นมาคอยปลอบบางทีเราก็ไม่โชคดีอย่างควระเวศอบอุ่นเป็นศพที่มีการตายตายสุดในอบอุ่นศพก็สวยงามนะในโลงนี่้อยแตเก็บกุหลาบสีแดง ศพก็นหน้าตา ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสเออคน เ, เราได้ตายหน้าตามีความสุขนี้ทุกคนก็ดีนะแสดงว่าจิตมันเป็นบวกเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความฉลาดเผยวางก็เลยผ่อนคลายยอมรับเลยสบายงัออ้นชีวิตของเราก็ควรจะเนี่ยละเข้าถึงสภาวะของการยอมรับความผ่อนคลายของกายของจิตออความเป็นกลางความสมดุล นอสาอะไรการแก่มันก็แค่เป็นแค่บทละครบทหนึ่งของโรงละครคือโลกใบนี้นทุกคนก็ต้องแก่ใหญ่น้อยแก่กว่าทีที่แล้วแก่กว่าปีที่แล้วแก่กว่าหลายหลายปีที่ผ่านมาก็แก่แต่ว่าเราจะไม่ใช่ ชีวิตฟรี free, ให้มันแก่ไปฟฟี free, เจ็บฟรี free, ตายฟรี free. เราจะความแก่เป็นตัวรู้สึกตัวเป็นความเจ็บก็เป็นความรู้สึกตัวก็คือเวทนาในเวทน า, าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเราก็จะฝึกอย่างนี้แหละเพราะน้ำต้องเห็นทุกข์ปฏิบัติธรรมน้ำต้องทุกข์มันไม่ได้ไปฏิบัติแล้วจะสบายหรอกถ้าทำงานเนี่ยจะสบายนะ มันได้ด่งใจจิตเป็นกุศลคิดเป็นกุศลมันเป็นเรื่องของความดีความงามบุญนะแต่ว่าชีวิตเราควรอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือขาวเหนือดำเนือมื่อเหนือสว่างเหนือเหตุเหนือผลตรงความรู้สึกตัวมันคือคําตอบไก่ก็ตามที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกลมในรูปแบบนอกรูปแบบ ชีวิตไม่ได้นขนความมันหยุดการแสวงหานั่นแหละคือความสงบสูงสุดที่หลวงปู่เทียนได้พูดถึงมันไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วก็สงบนะตัวลมหายใจแล้วก็นิ่งสบายกลายเป็นความขี้เกียจจิตมีความขี้เกียจเรียกเกิดอาทินวะขึ้นมามีรสชาติมีอาสาทนะอาทินวะสงบอยู่ภายใต้โมหะ คือลงมุดเข้าไปทีนี้ถ้าเราพอ่อนเรา่าการเค่อนการไหวมาออกมาทันทีมันเป็นความสงบที่รู้ทันความคิดคิดปับ๊บหยุดได้น่นะนะสุดยอดเป็นวิปัสสนามารู้ตัดรู้ตัดมันก็ตัดกรรมตรงนั้นละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาจ่วน้เราคิดไปอดีตทุกแนวอดีตก็ตัดทันที ทำไมก็ว่าเราทำไมทำไมทำไมก็ไม่กระใจเราทำไมก็ทำอย่างนั้นไมมันตัดทันทีมันไม่มีคาว่าทำไมความอ่วงใยความกังวลในอนาคตนะคิดอะไรเกิดความวิตกก็ไม่มีมันมีแต่ปัจจุบันขนาดนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นะที่มีกายมีใจเห็นอยู่ ปัญญาชนทั้งหลายก็จึงพยายามขยายผลไปในวงการศึกษาก็ห่วงอยู่บ้างพอใจสุดพอปริญญาตรีคือความถูกต้องคนไม่มีปริญญานำมาสอนกรมาฐานกายเป็นของเถื่อนของปลอมเหมือนวิชาทางแพทย์วิชาแพทย์แผนไทยมาก่อนรักษาด้วยใจไม่เป็นไร ตอนหลังมันมีราบสกาล่าขึ้นมามันก็เกิดหลายคนไม่รู้จริงล่าดาันไปรักษาัำเกิดความกุลาหนุนวุนวายสับสนในสังคมทบวมหาเลยจึงเข้าไปในทบวงมหาเลยคนที่จะรักษาเป็นแพทย์แผนไทยนายแพทย์แผนไทยหมอไทยก็ต้องมีใบปริญญาต่อไปกรรมฐานก็คงจะต้องมีปริญญาจะสอนได้ เป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องเข้าสถาบัานไหนหรอก <Yeah. S 2> ไปเรียนวัดไหนที่ไหนใครสอนรอ <Yeah. S 2> ตัวเองสอนตัวเองห <Yeah. S 2> ลักการเรื่องเหลนี้นเป็นเรื่องจะว่าง่ายก็ว่าง่ายจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่า ย, ยากก็ยาก <Yeah. S 2> ที่ว่าจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าเราเห็นทุก <Yeah. S 2> ชีวิต ท, ที่ผ่านมาทุกมันเป็นยังไงอย่างไี้ หนทางของชีวิตที่เหลืออยู่เป็นทางสว่างแห่งปัญญาที่เรามีศรัทธาต่อพระพุทธงองค์องสมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าทันชี้เรื่องเชื่อกรรมทำดีก็ดีทำชั่วมก็่วถ้าทำกรรมฐานมันอยู่เหนือดีเหนือชัว่วเราเชื่ออย่างนั้นอันนี้กรรมฐานทำอย่างไรครูอาจารย์ก็มีมากมาย สถานที่ปฏิบัติก็มีมากมายแล้วเกินคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้คนโน้นก็ว่าอย่างโน้นแล้วเราเราว่าอย่างไงทายายเราต่อเกิอนอยังไงเื่อนไหวรู้สึกอยู่เนี่ยก็เชื่อตัวรู้สึกตัวเดี๋ยวก็พาไปเองยายใครมาหลอกมันไม่มีใครหลอกได้มันมีแต่ตัวเองหลอกตัวเอง ตัวหลงมาหลอกเรามีอิทธิพลมีอำนาจมานานครนนั้นพอเราเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามันหลอกไม่ได้ก็เห็นอยู่เวลาไม่คิดตั๊บมันก็รู้ได้ก็เห็นอยู่ความง่วงมาแล้วรรู้เท่ารู้ทันก็รู้อยู่ก็เห็นเห็นจนหายสงสัยเห็นซ้ำๆมาหลายครั้งหลายวันหเห็นตลอด ตัวเดิมแต่ามันรู้ทันเร็วขึ้นเรานั้น <Yeah. S 1> ชาติกาลหลวงปู่เทียนจิตเทวโปนะก็คงไม่ได้จบแก่นนี้ก็คงมีการจุดแสงสว่างต่อให้ยิ่งๆขึ้นไปกวางขวางนะ <c oughs> ขึ้นในแง่มุมกว้างมุมลึก ให้คนทุกคนได้เหมือนกับว่ารับรู้รับทราบแล้วก็โดยเฉพาะวัดป่าสุขโ ต, โตนะตอนนี้ก็เลยแบ่งว่ามีกลุ่มสุขภาพกายนะจะใาใัอาัยจังหวะเนี่ยใส่ความรู้สึกตัวลงไปให้เป็นสุขภาพจิตด้วยนะให้ให้เหมาะแก่วัดวาราม ไม่ให้เป็นแค่เพียงสถานวัมบัตรหรือว่าโรงพยาบาลชั่วคราว mm hmm. ก็คงลำบากหน่อยพวกเราเพราะว่าคนสองยกว่าอยู่ข้างหน้า mm hmm. พรุ่งนี้เราก็เป็นนักวฏิบัติที่กลมกลืนไปกับเขาแล้วกันการอยู่การขบชันนะคงจะนอนเต็มสาราดเดี๋ยวมาก็จะออกไปดูหน่อยถ้าจะทำอย่างนี้ต้องมีการจัดระบบความพอสมควร ระบบที่หลับที่นอนที่กินที่ถ่ายระบบรถไปรถมารถยนต์ที่ขนส่งที่พักที่หลับที่นอนต้อ ง, องมีระเบียบมากวันนี้ไม่งั้นครั้งต่อไปก็ยุ่งยากจะกลายเป็นเรื่องของอคุศสนได้ยังงนน ะ, ะวันนี้หลังจากกลับมาจากหลวงพ่อเทียนก็ มีเรื่องเล่าให้คนที่อยู่ที่นี่หนระือ ว, ว่าที่เพิ่งมาทําวัดวันนี้ได้ยินได้ฟังไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเวลาที่เหลือเราก็จะปฏิบัติธรรมกันต่อไปรู้สึกตัวต่อไปทีห่หลับที่อยู่นะแล้วก็กลมก ล, ก, กลืนไปกับกิจกรรมที่มีอยู่ในวัดต่อไปกันละกันอะไรเห็นว่าสมควรก็ลากอากาศพร้อมกัน